ทางทั้งนี้ไม่มีเซนไม่มีเครื่องป้องกันอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่การตื่นรู้ ม, มันก็เป็นการเรียนรับและรับรองว่าข้าคืนเดียวเนี่ยสามารถเท่ากับเราไปปฏิบัติทำตามวัดหนึ่งหนึ <c oughs> ่งร้อยวันเนี่ย <c oughs>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 แต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็เราก็ใค่อยากแย่งแล้วก็กลัวไปเองแต่ความจริงแล้วเขาก็ไม่เป็อันตรายเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจมันมันก็เลยเข้ามาก็เลยอาจจะโด น, ก, นกัดโดนอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยิ่งเข้าใจวิถีป่าเข้าใจสัตว์ป่าแล้วเราก็นั่งอยู่ใต้คนไม้มีความสุขแบบที่คั้งพุทธการเลยยิ่งไม่เป็นภาระอะไรเลยเป็นขา้<อ>าวเสร็จแล้วก็ทานเยอะ<อ>ๆทานกัน